ขออนโมทนาสวัุการในท่านสาธรชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงประสูตรในสุกวักดังปัญจากานิบาตังกุตระนิกายเป็นประสูตรที่ทรงแสดงโดยใช้องค์ธรรมเพียงห้าข้อ แต่ว่าส่งแสดงผลในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปมีรวมกันแล้วถึง12สุดพระธรรมาที่สรงแสดงนั้นบางข้อก็ทรงแสดงเรื่องที่ควรยกจ้องคนตำนิบางข้อก็สรงใช้คำว่า จะช่วยบุคคลถูกนำไปวางในนรกแล้วก็วางบนสวรรค์พระพ่อก็จะพูดถึงการช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นแต่องธรรมนั้นจะใช้เพียงห้าข้อแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังในการขาจัดกิเลสทั้งหลายข้อแรกก็คือ ในส่วนลบนะฮะหมายความว่าในส่วนที่จะดึงก็ไปสู่ความเสื่อมคือคนที่ขาดศรัทธาขาดความเชื่อมั่นในหลักการที่ถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องตลอดถึงขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือขาดความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณเป็นหลัก แล้วก็ขาดความละอายต่อบาปโดยมีการประพฤติกระทาในทางทุจริตทางกายทางวาจาทางใจตัวไม่ดุ้งกลัวต่อการกระทําบาปและผลของบาปที่เรียกว่าอนรราุตตรปะคือไม่ดุ้งกลัวและเกียรติค้าในการเจริญกุศลและการละกุศ ล, ลขาดปัญญาเป็นหลัก อันนี้ทุกจุดที่ทรงแสดงไว้ก็ถือว่าเป็นทางเสื่อมในการสอนเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าบางครั้งจะสอนในรูปจุดเริ่มต้นบางครั้งจะสอนที่ตัวคุณธรรมบางครั้งจะสอนที่ตัวคนเช่นในประดาพาวสูตรทรงสอนว่า ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมก็เป็นคำสอนเร่งจุดเริ่มต้นตรงนี้หมายความว่าถ้าเริ่มต้นที่การชังธรรมกอรังเกียจธรรมะตั้งการศึกษาทั้งการคิดตั้งการปฏิบัติแล้วก็มีแต่เสื่อมอย่างเดียวแต่ผลยังไม่เกิดนะฮะมันเกิดจากการชังธรรม เราจะไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะก็นําตนก็สู่ทางเสื่อมแต่บางครั้งส่งแสดงในรูปธรรมะปฏิบัติคือหมายความว่ามีอกุศลธรรมเหล่านั้นอยู่ภายในใจทั้งกล่าวทั้งห้าข้อเนี่ยถือเป็นทางเสื่อมทางตกนรกทางประสบความวิบัติอะไรอยู่ก็ว่าไว้เยอะแยะแต่บางครั้งจะแสดงในรูปของการคบหาเกี่ยวข้อง เป็นการครบผ่านก็เป็นอัิมงคลครบบัณฑิตก็เป็นอุดมมงคลแม้จะทรงแสดงไว้โดยนัยยะที่แตกต่างกันแต่ว่าผลจะออกมาในทางเดียวกันคือพวกยินดีในธรรมะยินดีในบัณฑิตแล้วก็ยินดีในการปฏิบัติธรรมก็จะประสบความเจริญ พวกช่งธงทมยินดีในกุศลและธรรมก็าผ่านก็จะประสบความสึเแต่ว่าปริยาในการแสดงก็ส่งดูผู้ฟังว่าจะปฏิบัติได้ในระดับใดคือเข้าใจระดับใดก็จะสอนระดับนั้น ีนทางที่เป็นเจริญเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าหรือถูกยกไปวางไว้บนสวรรค์เป็นต้นตลอดถึงการยกย่องสรรเสริญก บ, บุคคลทั้งหลายก็ทรงแสดงห้าข้อที่ทรงกันขําประการแรกก็คือเรื่องของศรัทธาเป็นลักษณะของการน้อมใจเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของพุทธศาสนิกชนก็คือน้อมใจเชื่อในพระพุทธคุณที่เราสวดสาธยายกันเนี่ยในความคัดของการสวดมันก็สวดได้แหละแต่ว่าเชื่อจริงหรือเปล่านี้ลักษณะของการเชื่อมันก็ต้องดูผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเชื่อด้วยเพราะในเรื่องเหล่านี้ถ้าเราศึกษาให้ พิสดารมาสมควรเรื่องมันก็ค่อนข้างพิสดารเมื่อวานก็ไปบรรยายอบรมผวกวิปัสนาจารย์คือพระสอนกรรมฐานก็พูดธรรมะสี่ข้อนะแต่ใช้เวลาทั้งสี่ชั่วโมงก็เฉลี่ยแล้วข้อละชั่วโมงแต่ก็ไม่พิสดารเท่าไหร่ไปยิ่งก็พิสดารมากกว่านั้น พนตรงตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นพร ะ, ะคือเป็นกำลังหมายความความเชื่อนั้นจะต้องเป็นกำลังในการขจัดอัศทยะคือความไม่เชื่อออกไปเป็นอย่างน้อยตรงนี้ก็มีการตรวจสอบดูใจของเราเจนว่าเราสวดราขังที่แปลว่าหักกรรมแห่งตังสารจัก เรเชื่อหรือเปล่าทีนี้เชื่อหรือไม่เชื่อมก็ต้องรู้ว่าไอ้กรรมแห่งสังสารวัจจกคืออะไรแล้วก็หักได้จริงหรือไม่ตรงนี้เป็นการแสดงถึงพระวิสุทธิคุณหรือบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ากรรมแห่งสังสารวัจนั้นหมายถึงอวิชาตัญหาอุปาทานพูดง่ายๆกิเลส น, นะครับเกี่ยวกับกรรม มายความพุทธเจ้านั้นละได้ทั้งกิเลสและกรรมเป็นการละเด็ดขาดคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปพระพุทธเจ้าจึงไม่มีทั้งบุญทั้งบาปเพราะว่าบุญเป็นเหตุได้เกิดความสุขบาปเป็นเหตุได้เกิดความทุกข์ในขณะเดียวกันก็เกิดหมุนวนด้วยเพราะาพุทธเจ้ายัางมีบุญก็แสดงพระพุทธเจ้ายัางต้องเกิดอีกแต่พระทรงละบุญได้จึงไม่มีการเกิดอีก แล้วก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสหมายความแม้อยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายเราเห็นว่ากิเลสเราบางทีไม่เกิดอ่ะก็สงบอยู่ภายในแต่พอมีเรื่องมากระตุน้นมันก็เกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความอยากได้ วันก่อนยังไปอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งพวาขำดียนะแต่เป็นการแสดงถึงสภาพจิตของคนว่าพระอินทร์นั้นท่านมาต้องการทดลองคนบุคคลเนี่ยมันมีความโลภไหมทดลองดูนิรมิตรนิรมิตรทองคำให้ รากฏว่าคนที่ ท, ที่ที่รับพรนะ่ะขอเพิ่มทุกทีเจนเนรมี่ให้ทองสิบาทขอเพิ่มเป็นร้อยบาทแต่คือขอเพิ่มทุกคนเลยตาอินเลยทออ้อว่าอยกคนมันขี้โลกจังเลยขนาดได้ฟรีๆเนี่ยฮะยังขอเพิ่มอีกเลยก็ไปหาฤาษี ว่านิรมิตรทองให้ฤาษีไม่ยินดีเพิ่มทองให้เรื่อยไม่ยินดีไม่ชักเริ่มใส่ฤาษีโอ้ฤาษีนี่เก่งจังเลยทองสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นฤาษีนั่งเฉยแสดงความยินดียินได้เลยแต่อินชักจะศรัทธาว่าฤาษีนี่ไม่โลภถามทำไมท่านไม่ต้องการทองแนละ้วไม่ต้องการเน่ยถมันต้องการอะไรต้องการนิ้วที่ชีให้เป็นทองได้เมันโลภมากกว่าเดิมสิ โอ้มันยุ่งจังเลยโลภมากกว่าเดิมซะอีกนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าใจที่ที่ที่มันมันไม่มีความสงบอยู่ภายในบางทีเราดูคล้ายๆกับสงบแต่ว่าจริงๆบางทีผมก็แย่ ก, กว่าเดิมซะอีกแต่ของพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นว่ามันผ่านผ่านการจูดสอบการท้าทาย อย่างนกสมมติว่าเราไปอยู่ในสถานการณ์อย่า ง, ง น, นั้นและเจอเหตุการณ์อย่า ง, ง น, นั้นน่มันจะเป็นอย่างไรอย่างการท้าทายกันางตนาราคารจีที่ตอนสืบใหม่ๆ ม, มีการยั่วยวนด้วยวิธีการาต่างๆเรียกว่าระดมมาหมดเลยเล่มมารยาทั้งหลายวิธีการยั่วยวนทั้งหลายก็ประทับตั้งเฉยไม่รับรู้อะไรตกด่าว่าที่กรุงโกสัมพี ไปถนนถนนไหนก็มีคนด่าเป็นแถวด่าตั้งห้าวันเจ็ดวันก็เฉยยังไม่รับรู้อะไรช้างนาลาคีรีพุ่งไปแทงอย่างเร็วไม่ได้เสด็จไม่ได้แสดงให้เห็นความตื่นสนุกตกใจโจนุกริมานไล่ฆ่าก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึความตกใจปฏิวัติกริ่งหินลงมาให้ทับมันก็ไม่แสดงอะไร เงืแสดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นไม่หวั่นไหวหมายความกิเลสภายในไม่มีคือคนเราถ้าไม่มีกิเลสนะีฮะมันจะไม่มีความหวาดสะดุ้งอะไรเราดูตัวอย่างง่ายๆนะฮจิตใจเราไม่ได้เกี่ยวเกาะอยู่กับใครอะไรที่ไหนมาเหตุการเหล่านั้นเกิดขึ้นเนชะ่นมีการฆ่ากับที่บอดเนียอุตรุดไปหมดเ ที่เราบรรดาอะไรเนี่ยนะแต่ใจเราไม่รู้สึกว่าเป็นของเราเป็นพวกเราใจเราก็เฉยๆไม่หวาดไม่สะดุง้งไม่ตกใจอาจจะสงสารบ้างไงนะครับในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกันแต่เราก็ไม่หวาดสะดุง้งไม่ตกใจอะไรสะแสดงอาการอย่างเนี้ยเมื่อเราไม่มีกิเลส เ, เราจะไม่สะดุง้งแต่ที่เรามีกิเลส ท, ที่เราสะดุ้งเนี่ย แสดงว่าเรายังมีกิดเลดสยัง ย, ยืดใหญ่ยังกลัวความตายอยู่ก็สะดุ้งต่อความตายสรุปรวมรวมแล้วก็คือกลัวกลัวไม่ได้ไม่มีไม่เป็นอะไรแต่อะไรต่างๆแล้วไม่ทำบาปแม้จะในที่ลับก็นี้ก็คือคุณของรูปธจรมก็เป็นพวกควรไหว้ควรบูชาควรสักการะนับถือจริงๆ แต่ปัญหาต้องการไาเชื่อหรือเปล่ามันก็ต้องมองกลับมาดูที่ใจเราที่เราเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่อจะยกบทอื่นขึ้นมาพิจารณาเจ น, ะจนบทสำมาสมาพุทโธวสัสสุริสัจ ส, สุชอบโดยปรุงเองเนี่ยตรงนี้ก็ต้องใช้ปริยัติช่วยเยอะนะฮะหมายความมาต้องศึกษาดูว่าการสัจสรุรดีสัจสุชอบโดยปรุงเองเนี่ยมันมีลําดับขั้นตอนอย่างไรที่เรียกวสัจสุรู้ และสัดสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรสภาพจิตเป็นอย่างไงการมองโลกเป็นอย่างไงความมองคนมองสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นอย่างไงแล้วก็ถามใจเราว่าเราเชื่อตามน่้นหรือเปล่าทีนี้เชื่อเนี่ยบางทีมันก็ดูความหนักแน่นความมั่งมั่นมั่นคงความหนักแน่นของจิตใจ ที่เราปล่อยในสำนักของพระหรือครูบาอาจารย์นยะก็ดูว่าเราให้ความสําคัญแก่พระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนมันแสดงที่ใจนะฮะจะกราบพระพุทธรูปก่อนอื่นหมดแล้วใครจะอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้แต่เราต้องกราบพระพุทธรูปก่อนอันแสดงว่าเราให้ความสําคัญต่อพระพุทธเจ้า แต่บางทีไม่สนใจรูปตธรูปเลยก็กราบครูบาอาจารย์ก่อนหรือแม้แต่พระเองก็เหมือนกันคือการแสดงตรงนี้คืออะไรอื่นทั้งหมดต้องกราบพระปุธรูปก่อนซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ทดสอบเวลามีข้อขัดแยง้งมีข้อถูกเถียงมีปัญหาอะไร แต่ใจเรามีความเชื่อในพรเจ้าเราก็ดูว่าเรื่องนี้พรเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรแ้วเราก็ยึดถือตรงนั้นหรือปฏิบัติไปตามนั้นก็ทำให้ไม่แกว่งไม่สับสนเวย น, นี้จากการสังเกตว่า ม, มีเอกสารที่โต้เฉียงกันเรื่องนิพพานเนยเยอะเอามาได้รับด้วยเลยเออว่าปุทุชนมันขยันพูดในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ เทียงกันแล้วก็ด่าอีกว่ายาหนึ่งนี่บาก่อนก็ได้มาปึงหนึ่งอย่างอ่านไม่เคยอ่านนะมันมันรู้สึกว่าเรามันยังไกลเหลือเกินเนะ่ก็เอาเฉพาะว่าพระเจ้าว่าอย่างไงก็เราเชื่ออย่างนั้นนะเราเราไม่สัมผัสคืถ้าไปเทียงมันก็ดูแลเหมือนตาบอดคมช้า ง, งนะะเพราะจริงจงเราไม่สัมผัสอันนี้ผ่านมาเรื่องสัมผัสตรง ถ้าเราไม่สัมผัสจริงเราไม่รู้เหมือนก็เรื่องอื่นนะฮะเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยถ้าเราไม่สัมผัสเองเราก็ไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องสัมผัสตรงพระธรรมาคุณจึงมีบทว่า ส, สันทิติโกกับปัจจาตาังวิริโโบโวิจุหีไว้มายความว่ารู้เห็นได้ด้วยตัวเองแล้วก็คนจะรู้เห็นได้ก็ต้องเป็นบินฑุชนคือมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้เห็นได้ เพรเฉียงเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันเกิดโทสะมันเกิดปฏิฆะมันเกิดต้องการเอาชนะต้องการเอาเชื่อตามข้อเสนอของเราแล้วก็โกรธคนที่คัดค้านเราแล้วก็มันแสดงถึงโมหะคือเอ า, าจริงเราก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ตามถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะไม่ถูกเฉียงที่เถียงทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามเหมือนแสดงว่าเรารู้ไม่จริง คนที่รู้จริงก็จะไม่เฉียงก็เรียกทิฏฐิที่สมบูรณ์นี่จะไม่เฉียงเผนสังคมพราาพรยาภรรยาท่านเรียกว่ามุนีที่แปลว่านิ่งมุนีนี่แปลว่านิ่งแปลอย่างหนึ่งก็แปลว่ารู้อย่างหนึ่งแปลว่านิ่งคือสงบเพราะว่าไม่รู้จะเถียงอะไรไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะถกเถียงอะไรกันเพราะว่าต่างคนต่างก็สัมผัสตรงมาแล้ว แล้วก็พิจารณาดูพระคุณแต่ละบทนะแน่นอนการพิจารณาแต่ละข้อก็ต้องอาศัยปริยัติคือเราต้องเรียนมาวันทีเราเราก็ไม่ไม่เข้าใจนะวิชาจจนะสัมปโนสมบูรณ์วิชาจจนะวิชาเกิดรจนะเกิด อ, อะไ ร, ะออะไรมันก็ต้องดูวิชาแต่ละข้อเจะนะแต่ละข้อว่าตรงนี้เราเชื่อตามนั้นนะในชั้นนี้ก็พูดในระดับของความเชื่อทีนี้ เมื่อดูตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ดูเฉพาะตรงนี้บางอาจารที่คือยกตัวอย่างว่าดูการหายจากโรคเนี่ยมันต้องเห็นทั้งความสบายไม่เห็นทั้งอาการของโรคเห็นความแข็งแรงของร่างกายเห็นความปรีกระเปล่าของร่างกายมันก็ต้องเห็นอะไรต่อๆกมาอีกเยอะไม่ใช่เห็นเฉพาะว่าหายจากโรคแล้วยังนอนส้มอยู่เนี่ยมันก็แสดงไม่หาย ผการตั้งมั่นของศรัทธาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีกําลังในการขยจัดอัศติยะหรืออัศติยะที่เปลวความไม่เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคือความไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขานะฮะในสี่เรื่องแต่ทั้งหมดที่จริงมันมาจากพระพุทธเจ้าหรือถ้าเราเชื่อพระเจ้าได้อย่างอื่นเนาะยังอื่นเราก็ไปได้ แต่ว่าตรงนี้ที่จริงไม่ค่อยจะมั่นคงอะไรเท่าไหร่มันต้องขจัดความเครื่องแครงสงสัยได้โดยให้ท่านลองสังเกตถ้าจัดความเครื่องแครงสงสัยได้จริงนะฮะขจัดได้จริงเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นพระสูดาบันนะมันขึ้นไปจนถึงเป็นพระโสดาบันพอประโสดาบันแล้วเนี่ย มั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วนะฮะฟ้าถล่มดินถลายใครจะขู่ให้ตายก็ก็ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วให้ปฏิเสธพระรัตนตรยัยถ้าไม่ปฏิเสธจะค่ายตายเนี่ยท่านก็ยอมตายหรือท่านไม่ยอมปฏิเสธนั่นแสดงว่าจิตใจมีความมั่นคงเป็นศรัทธาจะเรียกว่าอัจฉร ะ, ะคือไม่หวั่นไหวจริงๆ การต่อไปเรื่องคิริษที่รทิที่ทรงอธิบายเองนะฮะปริญญาสรงอธิบายเองเป็นการละอายต่อทุจริตทุจริตมันก็มีสามอย่างทุริตทางกายทางวาจาทางใจหมายความละอายต่อความคิดในลักษณะละเมียดละไมเนี่ยมันอธิบายละอายแม้แต่ความคิดบางอย่างไม่มีใครรู้นะฮะความคิดเนี่ยไม่มีใครรู้ แต่เราละอายที่จะคิดอย่างนั้นเกิดคนคนขึ้นมาแล้วคิดจะฆ่าให้ตายเนี่ยมันไม่น่าจะคิดแรงขนาดนั้นไม่น่าจะคิดแรงขนาดนั้นคิดแช่งชักหักกระดูกคนอื่นคิดต้องการจะให้รถนี้มันหมันไส้มันชนในตายหมดคือมันคิดอย่างนี้แต่จริงจมันคิดเฉยๆแต่ว่าละอายใกใจไม่คิดนะคิดนึกแช่ง นึกเห็นความพิบัติเดือดร้อนสูญเสียแตกทำลายนะตายของคนทั้งหลายมันคุมไปเข้าถึงใจซึ่งซึ่งพืนเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องใหญ่มากเรียกว่าละอายแก่ใจความละอายมันเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็หยุดความคิดที่เป็นบาปไว้ที่ใจนะลึกๆต้องตง้องตง้องต้องได้ขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อ เราแก้ตรงนี้ได้การกระทำชั่วทางกายทางวจจามจันก็หยุดในในภาคปฏิบตัติท่านจึงเอาที่กายก่อนนะเอาที่กายไปก่อนว่าไงอย่าทำชั่วทางกายแล้วก็มีความระมีขึ้นไปโดยลำดับนะฮะคือเอาขนาดอย่าฆ่ากันก่อน ก่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าทรมานกันอย่าธรกรรมกันอย่าประทุษร้ายกันก็ว่าไปดีเล ย, เลยแต่ว่าเอาเอาเอ า, เอาตัวชีวิตไว้ก่อนก็มีลักษณะขัดเกลาเป็นความคิดที่ขัดเกลารไปแล้วก็ละอายต่อคำพูดที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อคำพูดหมายความว่า เราพูดกับสิ่งมีชีวิตอ่ะคือพูดกับคนอ่ะแสดงว่าคําพูดทั้งหมดมันต้องมีฐานมาจากเมตตาเขาเรียกว่าเมตตาวาจาคือวาจาที่เปล่งออกมานั้นมีพื้นฐานความรู้สึกที่ดีต่อคนซึ่งเราพูดด้วยเราก็พูดถึงเป็นเมตตาวาจาตัวฐานมันอยู่ตรงนี้แต่ตามปกติเราเราไม่ค่อยพูดตรงฐานนะเราจะพูดแค่ แค่ที่ออกมาที่เป็นมาโดยเฉาะาถ้าถ้าฐานมาอยู่ที่เมตตาได้เนี่ยมันเหมือนกับการพูดกับลูกกับหลานกับคนที่เราเครารพรักถือเนี่มันไม่กล้าโกหกไม่กล้าใช้คำหยาบไม่กล้าใช้คำที่สร้างความแตกแยกขึ้นเพราะเราเพราะเมตตาดังนั้นตรงนี้ ก็จะส ก, กัดกั้นกระแสของอกุศุณเอาไว้แต่โดยพื้นฐานจริงๆก็คือให้ละอายแก่ใจยิ่จึงเป็นมโนธรรมนะเป็นธรรมะที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆเจริญขึ้นภายในใจแล้วใส่เงื่อนไขาภายในของตัวเองเนี่เป็นหลักหมายความว่าหยุดหยุด หยุดจิต ใ, ใจตัวเองเอาไว้นะฮะไม่คิดในเรื่องที่เป็นบาปไม่คิดบาปกับใครๆจนถึงไม่คิดบาปกับใครๆเรื่องใหญ่มากท่านบอกว่าเกิดขึ้นมาจากหนึ่งก็คือชาติสกุลของเราที่มีการฝึกปรืออบรมพ่อแม่เป็นผู้ดี เติบโตมาในสภาพเป็นล้อมที่ดีสั่งสอนลูกมันดีแล้วก็อายุปรบเพิ่มขึ้นมีเหตุมีผลเพิ่มขึ้นผู้จากันเข้าใจง่ายขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะบางทีแกอะไรยางพูดไม่รู้เรื่องไงแต่ก็สรุปว่าโดยโดยพื้นฐานเลยอายุนี่มันช่วยประสบการณ์ที่สะสมมาในชีวิตนี่มันช่วยเสริมวยอยู่ตัวเอง อีกหนึ่งคือการศึกษาโดยเห็นว่าการศึกษาจะต้องมีทั้งส่วนที่เป็นคดีโลกคดีธรรมตอนนีม้มีมีมีมีเรื่องที่ที่น่ามองนะว่าการตื่นตัวทางาศาสนาทาง ศ, าางศาางีลธรรมในสูงขึ้นกระทรวงยุติธรรมตอนนี้พวกเนนะฮะพวกที่ได้เนรุ่ใหม่เนี่ยสามร้อยกว่าคนนี ก่อนจะรับปริญญาเนี่ยต้องเข้าอบรมศีลธรรมใชก่อนนะพวกเลขาธิการฝ่ายนี้ก็เป็นลูกศิษย์มาเอกบวช ท, ที่วัดอยู่ที่กุฏิตอนเขาบวชนี่ได้รางวัลเรียนดีเยอะเลยแล้วออกไปถึงนี่เขาลุยใหญ่เลยเรื่องนี้อบรมลูกศิษย์ลูกขา ผ, ผู้พูดภาษาอะไรอบรมหมดเลย ปือป้อเรื่องศีลธรรมจริยธรรมะราชการเองก็ตื่นตัวตื่นตัวกันมากแต่กว้างขวางพระเองก็ตื่นมันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือว่ามือวาแบบนางแรแรกเหมืองเมืองแรกตั้งหรือเปล่าก็ไปรู้นะแต่ว่ามีแนวโน้มที่น่าศึกษาสนใจคือว่าตื่นตัวขึ้นมาทาโครงการให้กระทรวงมหาไทยรณรงค์ ดึงชาวไทยเราเข้ามาสร้างสานึกพุทธนะฮะขอาวัดพังธรรมจาศีลคือไม่ต้องเข้าวัดก็ได้นะฮะเพราะว่าให้มีการรักษาศีลปฏิบัตธรรมกันสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งวันบ่ายวันมาคะวิสาขะอาสารหาออกพรรษาสามเดือนครั้งก็จะประชุมกันวันที่ยี่สิบเนี่ยไม่ทราบออกผลมาเป็นยังไง แล้วก็อยากจะออกมาจนถึงกับมีการนัดหมายคล้ายๆกับอิสลามดีวเขามีพิธีละหมาดนะหรือว่าคริสต์มีพิธีข้าวโบส์เราก็คงจะเอาขนาดนั้นไม่ได้ก็เอาเอาขนาดว่ามีการบรรยายธรรมะแล้วก็ฟังพร้อมกันทั่วประเทศด้วยสื่อวิทยุโทรทัศน์ ราก็วางเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมานะให้ให้ทำงานประสานกันถึงถ้าหากว่ทำได้ก็คงจะลดอะไรลงพอสมควรคงแก้ปัญหาไม่ได้ร0อยเอร์เซนะแต่ก็ลดอะไรลงได้บ้างอ น, นี้ก็อยู่ที่สร้างจิตสานึกให้เกิดความละอายคือให้ความรู้ให้ความรู้ในด้านาศาสนาด้านศีลธรรมเสริมสร้างฮิริซึ่งเป็นฐานใจได้นะครับ เกื้อ ใ, ใจคุมใจให้เราคุ้มตัวเราเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาคุมคนโดยระบบขง้นการจากการศึกษาที่ให้รู้บาปุณคุณโทษด้วยและที่สำคัญท่านเรียกวสุรภ า, าโวคือใจจะต้องกล้าหาจะต้องเข้มแข็งจะต้องไม่อ่อนแออ่อนไหวไปตามนาจของกิเลสหรือว่าตัวเราตัวกระตุ้นทั้งหลาย นี่ก็ทางเกิดของจิตคือหยุดตัวเองได้นะฮะแม้อาจจะมันมันอะไรเยอะแล้วเสร็จแล้วก็หยุดตัวเองได้ไม่กระทำบาปเราจะเห็นเวรอาการของสติอยู่ด้วยและอาการของปัญญาอยู่ด้วยคือหมายความว่าจะต้องพิจารณาเห็นโทษถึงบาป แต่บางอย่างเราก็มองไม่เห็นเราก็เชื่อเห็นไหมศรัทธาก็เข้ามาหนุนตัวตัวคิด อ, อีกบางทีเราก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอ่ะแต่เราก็เชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพิริย์ก็เสริมด้วยศรัทธาเสริมด้วยสติเสริมด้วยสัมปชัญญะเสริมด้ว ย, ยความเพียรพยายามก็ช่วยให ปิดกั้นกระแสของบาปของกุศลแล้วต่อไปคืออดตับปะเป็นสะดุ้งต่อต่อทุจริตการประจ่าใจเหมือนกันและกลัวต่อสิ่งที่กระทาและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาถึงการจะเกิดมันก็ต้องมีปัญญานะฮะพิจารณาเห็นเหมือนกัน แต่เราไม่มีปัญญาก็กลายเป็นไม่รู้จะกลัวหรือกลัวอะไรควรกลัวหรือไม่ควรกลัวบางทีก็ไปกลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวแล้วก็กลับไม่กลัวในเรื่องที่ควรกลัวเพราะ่ันกลัวเฉพาะบาปนะครับกลัวเฉพาะทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแต่ไม่ใช่กลัวสุจริตไม่ได้กลัวบุญไม่ได้กลัวความดีที่พระเจ้าทรงสอนว่าเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวบุญนะ พระบุในที่จริงมันเป็นความสุขต่นั้นเป็นชื่อความสุขทต่นั้นที่โอตปะมันก็เป็นมโนธรรมที่คู่กับปิริเรียกว่าเกิดร่วมกันเนะ่ยเพียงแต่ว่าโอตปะนั้นมีปัจจัยหนุนมาจากข้างนอกบางทีเยอะนะจะอาจจะนึกถึงวงศ์สกุลอาจจะนึกถึงสำนัก เราเป็นลูกศิษย์รรวัดบวรเนี่ยเราก็เกิดกลัวจะทําอะไรไปก็เสียชื่อของรรวอัดบวรเราเป็นคนในะกุลนั้นะกุลนี้มีพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้ส ก, กัดสถาบันนั้นสถาบนี้ตลอดถึงนึกภาพรวมๆเป็นชาติพวกนี้ก็แต่ละอย่างมันก็กระตุ้นได้ทั้งนั้นก็เรียกว่าไม่ได้คิดถึง ตัวเองแต่ว่าคิดถึงปัจจัยข้างอื่นที่เราเกี่ยวข้องอยู่ว่าแต่เกิดกระทาอะไรไม่เหมาะไม่ควรแล้วสถาบันนั้นๆก็จะปล่อยเสียหายด้วยพ่อแม่จะพล่อยเสียชื่ออะไรอะไรก็แล้วแต่คิดแล้วในขณะเดียวกันต้องกลัวต่อคนกระทบคือตัวเองจะต้องเสียใจตัวเองติดเตียน ต, ตัวเองได้นะ ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าควงเราจะเห็นว่าบางครั้งในบรรก่อนเมื่อเมื่อวานนนแหละลูกข้าวพ่อต้องการจะแย่งสมบัติรุนแรงจังแล้วข้าเอาตายด้วยนะคือนั้นเราจะเห็นว่านอกจากไม่กลัวบาปแล้วเนี่ยมันไม่ละอายบาปไม่กลัวบาป ก็ไม่มีปัรดาคือคือไม่มีทั้งหมดเลยไม่มีไปทั้งหมดเลยแต่ผลสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้หรอกประดกมันก็ได้คุกนั่นเองนั่นคืออาการของกิเลสที่ ท, ที่ถ้าเรานับว่ากิเลสอะไรบ้างมันเยอะเลยการขาดแคลนอะไรบ้างก็ขาดแคลนธรรมะทั้งหมดที่ว่ามา เราบอกว่าจะต้องมีมโนธรรมสำนึกว่าบางอย่างเราทำไปแล้วเราก็จิเตียนตัวเองและอายเก่ใจตัวเองสะดุ้งกลัวดยตัวเองศัตรูตัวตัวเองคนตบบาทจริงองเป็นศัตรูตัวตัวเองนะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะมองในสายตาของผู้รู้ของบิณฑูชนทั้งหลายของนักปราชญ์ทั้งหลายประธานรู้เห็นการกระทำของเราก็ก็จะตำหนิจิเจียนเรา ตลอดทั้งกลัวต่ออัดยาของแผ่นดินการถูกจับปุมกุ่มขังการถูกลงโทษการถูกทรมาในคุกในตารางต่างๆแต่ว่าฐานใหญ่นะฐานใหญ่นี่เราถ้ามองในสายตลอดทั้งสายเนี่ยฐานใหญ่มันกลับไปอยู่ที่กลัวภัยในในอบายเพราะอะไรเพราะชีวิตเรามันช่วงสั้นๆ ถ้าเราไม่มีสังสารวัฏคือตายแล้วมันต้องเกิดดีมันก็ไม่น่ากลัวอะไรทไลายนะฮะเช่นสมมุติว่าเราจะตายแล้วก็อาจจะฆ่าคนแก้แค้นอะไรแต่ไรเสร็จแล้วตัวเองก็ตายไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเกิดดีมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องมีฐานความเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์งถือว่าเป็นฐานใหญ่ที่เราจะต้องชดใช้จะต้องรับผิดชอบนะเช่นเช่ น, นว่าต้องชดใช้กรรมห้าร้อยชาติอะไรแต่ไรอย่างที่ว่าเนี่ย แล้วก็เราก็ดูตัวอย่างคนเช่นพระโมคคัลลานะขนาดว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะยังต่องชดใช้กรรมจงเคยเบียดเบียนมัรดาปิดาตัวเองมาก็เลยเป็นเศษวิบากกรรมช่วงตรงนี้ช่วงชดใช้นี่มันยากมันแม่ถ้าคิดชีวิตชาติเดียวนี่จะสั้นนิดเดียวัเองอ่ะเพราะงั้นการการคิดได้เป็นฐานบุญบาปเนี่ย ไห้เกิดรับผิดชอบในการกระทาจะต้องมองเชื่อมถึงอดีตปัจจุบันแล้วอนาคตด้วยตามกฎของกรรมนะอดีตกรรมปัจจุบันกรรมอนาคตแล้วกรรมเองก็ทรงแสดงไว้ถึงการรับผลในอนาคตอย่างที่เคยพูดไว้ รือแม้แต่ภาษิตสั้นๆนะ น, นะภาษิตสั้นๆที่เราได้ยินเช่นว่าปุญญานี้ประโลกสมิงปฏิทาหุนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นก็แสดงว่าไม่ได้เป็นที่พึ่งเฉพาะโลกนี้เพราะบาปมันก็เหมือนกันนะฮะตามแผดเผาในโลกนี้และในโลกอื่นเหมือนกันแล้วจะเกิดความละอายต่อบาปหรือต้องกลัวภัยในในโลกเพราะอะไรเพราะว่าคนบางคนที่ ไม่ละอายบาปเนี่ยพูดหน่าเฉยตาเฉยนะฮะพูดหน้าเฉยตาเฉยฆ่าคนแล้วก็พูดหน่าเฉยตาเฉยเลยคือแสดงก็ไม่กลัวบาปอะไรอะ่ะคนเหล่านี้มันพูดกันไม่ได้แกไม่ตีเตียนตัวเองแกไม่รู้สึกแกผิดนะทีนี้บอกคนอื่นตำนี่แกก็ไม่สนใจอย่างตํารวจจะจับแกก็เงินจ่ายให้มึงแกได้หมดอะ่ะ แล้วพวกนี้จิตใจมันมั น, ม, นมันกระด้างมันไม่สะดุ้งนะฮะมันเหมือนกับสิ่งโกรปรกไปตกบนผ้าดำเนะี่ยก็ดำด้วยกันเนี่ยนะฮะก็ดำไปด้วยกันมันไม่เห็นคนเหล่านี้จึงจึงบางทีก็เป็นสุขเป็นสุขจากการทำอย่างนั้นแต่ถ้ากลัวภัยเดนรกไวสักอย่างนะเหนียวไวสักอย่าง มันก็จะกลายเป็นหลักเมื่อก่อน ม, มีคนมาถา ม, ถามถึงเรื่องในโยนคราวแดงที่เป็นเพศข้าศัาดฆ่าคนคือ ก, ก, ก, ก, ก็มีความคิดต่ก่อนข้างแปลกนะฮะเ็าบอกว่าการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพนี่ต้องบาปด้วยหรือบอกโอ้ตายแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรอะ่ะบาปก็คือบาปอาชีพก็คืออาชีพ ไม่งั้นก็พวกชาวประมงอะไรก็งดเว้นหมดเลยคือก็ไปอ่านเรื่องนานโค ข, ขาดนะนายจนขาวแดงที่ฆ่าคนเป็นเพชฌคาตพระสารีบุตรท่านมาปลดตอนท่านปลดเกิเสียนจากเพชฌคาต ใ, ใจท่านไม่สงบเพราะไปคิดเรื่องการฆ่าคนไว้พระสารีบุตรท่านรู้ว่าใจท่านไม่สงบล้วก็ถามว่าเป็นไงใจไม่สงบละ่ะ ไม่สุงบทำยังไงคิดคิดเรื่องการฆ่าคนมาภาษาดิบุตรท่านท่า น, านมีวิธีดึงจิตเฉยมันไม่ใช่ไม่บาปหาปรอกภาษาดิบุตรก็ถามว่าที่คุณฆ่าเนี่ยคือไปฆ่าเขาเองหรือว่ามีพระรูปราชโองการให้ฆ่าก็บอกว่ามีพระรูปราชโองการให้ฆ่าเอาแล้วก็ฆ่าตามที่คนอื่นก็สั่งนะเป็นบาปด้วยหรือ คือท่านถามมันเป็นบาปด้วยหรือมันเป็นวิธีนะเป็นวิธีพูดเพื่อจะดึงจิตท่านให้อยากคิดไปในเรื่องอ น, นั้นทีนี้ถ้าเป็นคนชื่อเสือเป็นคนซื่อเอเออนึกว่าไม่ไม่บาปเลยก็ทําใจสงบไนดะ้แล้วพระสารีบุตรก็เทศสอนก็บรรลุมรควนเป็นพระโสดาบันแล้วก็ถูกตุกโคควิด ต, ตายในตอนนั้นเนะี่ยอันนี้ที่ที่จริงแล้วเป็นคนละเรื่องกันแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธบาปนะฮะมันก็บาปก็ปคือบาป แต่เป็นอุบายวิธีที่จะดึงจิตให้สงบไปในขณะหนึ่งเพื่อให้สามารถฟังธรรมแล้วก็บรรลุมรคผลได้การบารรลุมรคผลก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะฮะเรื่องบาปก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งคล้ายๆกระมมุขขลานะไอ้พระองค์ุลิมานนั่นแหละการประสบภัยอันตรายต่างๆก็เป็นเรื่องของบาปการบารรลุมรคผลก็เป็นเรื่องของบุญม า, มากราสายกัน ประการต่อไปก็คือวิริยะวิริยะที่รปวความเพียรเป็นความกล้าหาญเป็นความพยายามที่ทรงใช้คำว่ามีความบักบันมีความพยายามแล้วก็ไม่ทอดทิ้งคือหมายความว่าจับอะไรก็จับไปมั่นคันให้ตายหมายให้วอดคือเอาจริงในเรื่องอ น, นั้น ความจริงๆมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะปฏิบัติให้ได้และจะทำให้ได้เป็นความเพียรที่เป็นไปทางทางกายและทางจิตซึ่งในตัวความเพียร น, นี้จะไปหนุนคือเสริมสืบเรื่องมาจากความเชื่อนะมาความเราก็เชื่อด้วยเราต้องละอายบาปโดยสะดุ้งกลัวตวบาปโดยกามเพียรจึงออกมาในรูปสองสองทางก็คือเพียรที่จะละในส่วนที่เป็นอกุศล แต่ว่าปรากุตลที่จริงมันก็มาจากสองสายคือสายหนึ่งมันยังไม่เกิดจะต้องมองก่อนมันจะเกิดคล้ายๆกับโรคระบาดเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ติดเชื้อตรงนั้นแง่ในบางทีมันเกิดแล้วมันก็ต้องมองให้เห็นแล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะขจัดโรคโรนนั้นออกไปแต่ในการกระทำเนื่งองจากเรารับอารมณ์เรื่อย แล้วก็ใจเราก็มีกิเลสอยู่แยะมันก็ต้องดูตัวเองให้ออกแล้วก็พยายามที่จะลดละเหล่านั้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทรงเนี่ยที่ที่ทรงอุปมาเมื่อการขัดพัชนะขัดพัชนะทองเหลืองสมัยนั้นก็ทองเหลืองมีใช้แล้วนะฮะก็ขัดแล้วก็ต้องดูนะฮะขัดก็ดูขัดก็ดู พอเห็นตรงไหนสะอาดมันก็ขัดตรงอื่นต่อไปหมายความว่าเรารู้ตรงไหนว่าควรขัดแรงขัดเบาขัดมากขัดน้อยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆใครดูเราดูใครขัดเราขัดใครสัมผัสผลเราสัมผัสผลคือคนเดียวมันก็เรื่องก็ปัจจัยต่างยงที่วาเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้เห็นด้วยตัวคนเดียวความเปียรพยายามในส่วนนี้เราก็ต้องเห็นเมื่อกับการขัดภาชนะ าการซักผ้าเนี่ยต้องเห็นความสะอาดเพิ่มขึ้นเห็นความสกปรกลดลงไปก็ซักก็ยังกว่าจะสะอาดหมดวิธีหนึ่งก็คือการเพิ่มความดีขึ้นแล้วความดีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่สุดไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะโดยต้องอรักษาคุณภาพความดีนั้นและพยายามต่อไปจนกว่าจะสมบูรณ์ พระเจ้าทรงอุปมาให้ดูชีวิตว่ากุ่มภูประมงกา ย, ยไม่มังวิดิตวาให้มองร่างกายเราเนี่ยเหมือนผาชนะดินคือมันแตกง่ายตายง่ายคนเราในที่จริงมันก็เปราะบางไงนะหัวฟาดพื้นทีเดียวขี้เกียจตายละมันแตกง่ายเหมือนผาชนะดินแล้วผาชนะดินอินเดียในี่จริงๆมั น, ม, นมันดูง่ายมากนะ บางอย่างนี่เข้ามาใช้โดยโดยไม่ได้เผาโดยไม่ได้เผาเลยอย่งนกว่าเออนี่พระพุทธเจา้าท่านนั้ น, น, นมีดินเยอะแถวๆนั้ น, น, นก็หยิบมาดูมันดูง่ายมากเอออันนี้มันมแตกง่ายจังเลยก็ เ, เห็นชีวิตเนี่ยมันก็แตกง่ายมากทาลายได้ง่ายแล้วเมื่อวานเนี่ยอะไรเ็าขึ้นหอที่สงขา คือไม่ได้หน่อยเดียวนะพอเสียการทรงตัวกระโดดกันแข่งขาหักกันบาดเจ็บกันพอ ร, ร้องขวัญอันนี้คือคือเราจะเห็นว่า อ, อันตรายมันเกิดขึ้นมาแล้วนิดเดียดอีกระตกลงมาจากนั้นถ้าขนาดโยนแมวลงมานี่แมวไม่บาดเจ็บนะแต่คนก็บาดเจ็บครับรแสดงว่าเปราะบางแล้วก็แตกง่าย แล้วท่านบอกว่าโยเทธรมารังปัญญาวุเชนะให้รบมาด้วยอาวุธคือปัญญามีปัญญาเป็นหลักชิตันเจรเค อ, อนิเวสโนสิยานะแล้วขชรนะในระดับโดยก็รักษาจุดที่เราชนะเอาไว้แล้วก็รุกคืบครานต่อไปเพราะการช้ความเพียรพยายามก็ ใช้ทั้งในการป้องกันบาปในการละบาปในการสร้างความดีแล้วก็ในการรักษาความดีทีนี้ความเพียรพยายามเนี่ยมันต้องขจัดขจัดอะไรคีริก็ต้องขจัดอาหิริคือความไม่ละอายออกไปได้โอตตะปะเองก็ต้องขจัดอะโนตตะปะคือความไม่สะดุ้งโกรธต่อบาปได้พอถึงวิริยะเองมันก็ต้องขจัด โกศชะเรียกว่าความเกียดคร้านบางที่ทรงใช้ับว่ามหาโกศชะคือความเกียดคร้านขนาดหนักเลยเราจะเห็นว่าความเกียดคร้านบางอย่างมันดูง่ายนะฮะนั่งแชะในที่นั่งนอนแชะในที่นอนยืนแชะในที่ยืนอันนี้มันเกลียดคร้นอย่างเลยแต่บางทีก็อ้างอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ้างกระหายอ้างเช้าอ้างสายอ้างบ่ายอ้างเย็นอ้างรถติดอะไรก็ว่าได้ๆบางทีรถติดจริงเลยนะ นี่ก็คือก็คือเรื่องของความเกียจคร้านแต่บางทีเนี่ยมันอ้างอ้างไม่มีเวลาเดี๋ยนี้อ้างเยอะเลยอ้างไม่มีเวลาไม่ว่างไม่มีเวลาบางทีนั่งดูโทรทัศน์แต่ไม่มีเวลาเลยมันติดดูโทรทัศน์อยู่เอาเป็นอย่างนั้นไปได้อันนี้คือลักษณะเกียจคร้านแต่ที่จริงเนี่ยมันมันมันมีมันมีมันมีตัวหนึ่งซึ่งมันมีความสมเหตุสมผลนัดนแล้ว แต่ก็เอามาอ้างเป็นเงื่อนไขให้เขาเห็นว่าเราีนขยันปวดหัวปวดท้องไม่สบายเป็นวัดอะไรก็แล้วแต่จะว่านะอันนี้ก็เรียกเป็นมหาโกชะแต่ว่าถูกทำลายเนี่ยคือเราเองผลประโยชน์ที่เราจะได้จะพึงมีจะพึงเป็นเนี่ยถูกทำลายไปเองและต่อไปก็คือปัญญา ในท่านลองสังเกตนะฮะว่าว่าที่ที่เคยเราเคยเจอองค์ธรรมมาตลอดเลยว่าตรงไหนที่พูดเรื่องศรัท ธ, ธาไว้ตรงนั้นจะต้องมีปัญญาเสมอไปทิ้งปัญญาไม่ได้นะฮะเพราะว่าศรัท ธ, ธานี่มันแกวง่งมันไปเชื่อในเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเรื่องคนที่ไม่น่าเชื่อในเวลนี้ ม, มีมีคนไทยเราในแปลก่กวไปตื่นคนต่างชาติต่างอะไรตอะไรมา นีวันก่ออะไรผู้หญิงเวียดนามคนนึงมาตั้งสำนักใหญ่โตอยู่ที่ไต้หวันเป็นคนไทยก็เชียร์กันจังกันญี่ปุ่นมาก็เฮโลสลาพาโว่ญี่ปุ่นมาก็เฮโลสลาพาสมัยนั้นโล ก, ก น, นาฏพระอิตาลีอิตาลีสมัยที่ท่านปัญญ า, นานอนัน t h ยังหนุ่มๆหลวงพ่อพุทธทาสท่านไม่ชอบท่านบอกมันบางอาจใช้ชื่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกอ น, นาฏท่านพุทธทาสรูปเดียวไม่ยุ่งเลยนะไม่ยุ่งเลยหลวงพ่อปัญญาตามมาถึงพม่านะไม่นะ โลกนาดดังมากๆเลยก็มีจุดเด่นอย่างเดียวคือมังสาวิรัตเพรานั้นเองนะฮะแล้วคนไทยเราก็ตื่นน่นแสดงความเชื่อเราเชื่อง่ายนะฮะโดยลักษณะแล้วคนเราในเชื่ออะไรง่ายเวลาพระเจ้าสอนจะต้องมีปัญญาข้ากำกับเสมอเพราะทุกอย่างที่เราเชื่อเนี่ยต้องผ่านการใช้ปัญญา ถ้าเราดูว่าว่าเหมือนกับองค์ธรรมเป็นคนนะมันเดินอยู่ข้างหน้าในสี่คนแล้วแต่มีแสงสว่างสองแสงสว่างสองให้เห็นทางตลอดคือหมายความถูกคุมโดยแสงสว่างเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยศรัทธาเองก็ต้องมีปัญญานำที่ริก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่ละอายสงเดชนะยังยังยัง ย, ง, ยงละอายสงเดชอะไรพวกพวกนี้โครนบนตาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าละอายในเรื่องที่ไม่ควรละอาย แต่กลับไม่ละอายในเรื่องที่ควรละพวกนี้เขาเรียกนิกันถะคือไม่มีเครื่องร้อยรัดไม่นุ่งห่มผ้าแต่ท่านกลัวว่าสัตว์นี้จะเข้าไปที่จมูกท่านท่านปิดปากปิดจมูกไว้เอากระซิเอากระพาะสิผ้านุ่งไม่ยอมนุ่งอ่ะไปปิดปากปิดจมูกถามว่าปิดทาไมกลัวว่าสัตว์มีชีวิตจะเข้าไปทางปากทางจมูกมันจะตาย เอาในขณะเดียวกันท่านเดินกวาดไปทามากวาดทําไมกลัวสัตว์มันจะตายจะเหยียบเอาสัตว์เลยกวาดซะก่อนไอ้ตอนกวาดสัตว์ตายแล้วนะจริงคือท่านไม่ได้คิดอะไรฮะแล้วท่านก็ไม่ดื่มน้ําน้ำเย็นเนี่ยท่านไม่ดื่มนะฮะพวกพวกนักบวชนีิครตเนี่ยท่านจะดื่มน้ำร้อนท่านต้มน้ำร้อนได้ก่อนไดดื่มแต่ว่าทำไมต้องดื่มน้าร้อนกลัวว่าจะดื่มสักเข้าไปก็ท่านต้มมาตายไปหมดแล้วคือต้องมีแล้วนะท่านต้มมาตายไปหมดแล้ว ท่านก็ไม่ได้คิดประเด็นเนี้ยนะท่านไมไ่คิดประเด็ดนนี้ท่านก็ทำท่านมาตั้งสองพันกว่าปีทุกวันท่านยังทําอย่างงั้นพุทธเจ้าบอกพวกนี้มันละอายในเรื่องนี้ไม่น่าละอายแต่กลับไม่ละอายในเรื่องที่ควรละอายเอาวิเยวาที่ควรปกปิดไม่ปกปิดไอ้ไม่ควรปกปิดก็ดันปกปิดได้นี่ก็คือก็คืออะไรคือขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจิจารณาและที่น่าขาก็คือว่า เกิดมาก่อนพระพุทธศาสนาตั้งหกปีนะเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าตั้งหกปีพุทธเจ้าก็เตือนตั้งหลายครั้งแต่ก็ยังเหมือนเดิมทุกวันก็ยังเหมือนเดิมบายังเหมือนเดิมยังมีนิคันถีนิคันถีเป็นนักบวชชีเปลือยผู้หญิงนะะแต่ไม่เคอยออกเดินจุนจ้าน่ะไรนิครนนักบวชชีเปลือยผู้ชายนะุกเยอะนะฮะแถวฝ ร, รั่งเศสนี่มีเยอะ บางทีวันสําคัญวันเกิดของท่านหมาวีรานโอ้แห่กบวนเป็นพันๆเยเดินเป็นแถวเลยเดินยิ้วยิ้วกันําคือไม่กวาดกวาดไปกลัวสัตว์จะตายกลัวจะเหยียบสัตว์เห็นไหมว่ามันขาดปัญญาเป็นศรัทธาความเชื่อเป็นฮิริที่มันขาดปัญญาไม่ได้พิจารณาอะไรว่าโดยเหตุด้วยผลนี่มันคืออะไร ซึงบางคลางวางคราวเนี่ยที่บังงงงายมากพุทธเจ้าบอกว่ามันเหมือนตาบอดจูงเดินกันเป็นแถวตามกันเป็นแถวไอ้ตั้งแต่หัวแถวมันไม่เห็นน่ะแล้วก็กี่คนกี่คนที่จูงกันทั้งหมดในตาบอดทั้งนั้นไม่เห็นทั้งนั้นเพราะโนตปะเองก็ควรจะกลัวในเรื่องที่ควรกลัวเรื่องควรกลัวกลับกล้าเรื่องควรกล้ากลับกลัวอะไรแต่ใดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องเข้า เพราถ้าไปงั้นก็หลงทางได้นะฮะไปอายในเรื่องที่ไม่ควรละอายไปกลัวเรื่องที่ไม่ควรกลัวทีนี้ความเพียรก็เบมือนกันว่าความเพียรนี่มันมีทั้งความเพียรชอบความเพียรในทางที่ผิดเรียว่าสัมมา ว, ย ма, ว า, าววยามาก็มีสาววายามากเพราะปัญญาเองก็ต้องตรวจสอบว่าอะไรควรจะเพียรอะไรไม่ไม่ควรจะเพียรอะไรควรทําไม่ไม่ควรทําปัญญาก็ต้องผ่านการวิจัยเพราะทุกเรื่องนี่มันต้องมีปัญญา ยันที่เคยยกตัวอย่างว่ามันเหมือนขนมไทยนะฮะก็ไม่รู้มันต้องมีข้าวเหนียวมีกะทิมีน้ำตาลทำทำไปทำมามันก็มีข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลกี่สิบอย่างก็ไม่รู้มันก็มีอย่างเงี้ยกิเลสทั้งหลายมันจะมีโมหะอยู่ทั้งหมดเราจับประเด็นได้เลยว่ากิเลสทุกทุกอย่างต้องมีโมหะอยู่มากน้อยไม่รู้ธรรมะทั้งหลายต้องมีปัญญาอยู่ตลอด ใช้นะโดยไม่มีปัญญาไม่ได้มันจะหลงทางได้ง่ายๆเพราะโอกาสที่จะน้อมใจเชื่อเลยก็จะเห็นว่าวันก่อ น, นมีอะไรมาจากเกาหลีอั้งตัวเป็นพระอาราหันต์มาเข้าข้าวสมเด็จพวกนี้ฉลาดส่งไาที่อาตมาพ ว, พวกฝ่ายเลขาเป็นฉลาดก็ส่งมาอาตมาเป็นผู้หญิงก็คุยโม้ใหญ่เลย มันบอกว่าไปโปรดที่อื่นเถอะไม่ต้องมาโปรดที่นี่หรอกมันมันเขาไม่บอกกันหรอกเป็นพระอารหนะันน่ะมันถ้าบอกเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นมันมันมันพิสูจน์อะไรเพราะว่าการบอกคือการอวดอวดคือคืออะไรก็คือโลภะโลภะอยากได้อยากได้ลาบอยากอยากได้สักการะอยากได้ความปรนนถือเมื่อโฆษณาสินค้านะ่ะมันดูง่ายจะตายอ่ะ ที่เธอเธออวดในแสดงว่าเธอไม่จริงอะ่ะเพราะพระอาราหันต์ท่านใจบริสุทธิ์ท่านไม่อวดอวดทํ า, าอะไรเรามันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเอามาอวดเนี่มาโอ้ยมาคุยแล้วก็มีหน้ามามาด้วยนะอ้ยไกไปไกลใหญ่ไ ป, ไ ป, ไปเราก็ดูแล้วบอกโอ้ย ไ, ไ, ไปโปรดที่ออื่นเถอะอันนี้ก็คือเรื่องปัญญาที่เราต้องใช้ทุกเรื่องในการปฏิบัติธรรม ปัญญาเป็นเครื่องสองมันก็เหมือนอริยมรรคนะะท่านจะเห็นว่าพระเจ้าเริ่มที่ปัญญาในะอริยมรรคเนี่ยวิริเรียงไม่ได้เรียงแบบศีลสมาธิปัญญาแต่เรียงปัญญาศีลสมาธิแต่ปัญญาจุดเริ่มต้นไม่ใช่ปัญญาสมบูรณ์ทำ น, นองคล้ายๆเราขีดเราขีดวงเวียนเราขีดวงเวียนไม่มีจุดเริ่มต้นเข้ามาันแล้วก็บรรจบบรรจบที่จุดเริ่มต้นก็ถือว่ากลมแล้วถ้ายัางไม่บรรจบก็ถือว่ายังไม่เป็นวงกลม เพราะเริ่มต้นที่ปัญญาแล้วก็จบที่ปัญญาสมบูรณ์ในตัวนี้มันก็เป็นพละความเพียรก็ขจัดความเกียดคร้านได้พอถึงปัญญาเนี่ยปัญญาต้องขจัดโมหะขจัดอวิชชานะจริงๆก็คือขจัดอวิชชาคือขจัดความไม่รู้ทีนี้ลักษณะของปัญญาในชุดนี้หมายถึงอะไรก็ สอนในสองแนวแนวหนึ่งเขาเรียกว่าอุไรยัทะกาินีปัญญาเป็นปัญญาที่มองสิ่งทั้งหลายในกระบวนการเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมายความว่าเราจะมองเห็นทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยความเสื่อมความเจริญเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยชีวิตเราเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราไม่ต้องการผลอะไรเราก็อย่าสร้างเหตุก็จบไม่ต้องไปยุ่งยากมากไม่ต้องไปสะดอกเคราะถ้าเห็นว่าอะไรจะเป็นเพราะก็อย่าสร้างเหตุก็แล้วกันนะเคราะมันก็ไม่ไม่มีหรอกนั่นคือการทรงใช้คําตรงนี้จะมากที่สุดเลยทรงใช้ว่าอุดยทักกามินีปัญญาปัญญาที่รู้การเกิดการดับการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของสิ่งตัว น, นั้นความสุขความทุกข์มันมาจากเหตุปจัจจัยใครสุขใคร ใค้ทุกข์กคนนั้นเน่เป็นต้นเหตุเหตุที่ให้เกิดสุขทุกข์รันจะเกิดความรับผิดชอบในกฎของกรรมอะไรที่เราไม่ชอบเราก็งดเว้นอะไรที่เราชอบเราก็ทำนะฮะก็แสดงว่าผลมันยังไม่เกิดถ้าเราไม่สร้างเหตุมันก็ไม่มีผลหรอกมันผลทั้งหลายมันเกิดมาจากเหตุที่เรากำลังไม่ว่าอะไรก็ตามจนถึงเรื่อยไปจนถึงไม่รู้กังสาระวัเห็นชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เกิดขึ้นก็ได้เหตุปัจจัยตั้งอยู่ก็ได้เหตุปัจจัยดับไปก็ได้เหตุปัจจัยก็เป็นก็เขาอย่างนั้นเองเรียกว่าตัฐตาคือมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะเกิดปัญญาที่รู้เท่าทันถึงความจริงของจริงทั้งหลายแล้วก็ถึงปัญญาระดับหนึ่งท่านเรียกว่านิบเบติกะปัญญาเป็นปัญญาที่ชําแรกแยกแยะ คือผ่าตัดชำแหละนะชำแหละได้นะหมายความออกตัด้เห็นว่าสิ่งนี้สวยที่พระเจ้าทรงอุปมาว่าสังขารเหมือนกอกกล้วยนะฮะกอกล้วยรโอ้โหสวยงามเราออกกาบออกตีละกาบตีละกาบมันมันหายไปเลยมันไม่มีกอกกล้วยอะไรบนคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายที่เราไปยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราของเราเป็นตัวเป็นตนของเราอะไรแต่างๆจริงๆพอแยกเลยมันไม่มีอะไร เป็นการเกาะกลุ่มของทพสัมภระทาทั้งหลายเท่านั้นแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นเอาเองนะะเราคิดว่ามันเป็นมันก็เป็นเราคิดว่ามันมีมันก็มีเราคิดว่าไม่มีมันก็ไม่มีเพราะจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยสร้างให้มีก็การสมมติว่ามีมันก็เกิดขึด้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะอยู่ได้ ตัวการหนึ่งในสุดเขาก็จะไม่มีแล้วก็ผนที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องไปลดตัวโลภะลดตัวโทสะลดตัวโมหะเูาค้าไปทําไมมันไม่มีอะไรนะสิ่งที่เรายิง่งยิ่งยิงอยากได้มากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็เป็นทุกขขัดขันคือกองทุกข์นะหมายความว่าเราก็ไปคว้าไปแบกหนักขึ้นไปเรื่อยๆ ม, มีมากเท่าไหร่มันก็ทุกมากเท่านั้น จนกลายเป็นความสูญเสียความสงบความเป็นตัวตัวเองต้องห่วงหน้าพะวงหลังวุ่นวายไปหมดเลยและการใช้ปัญญาในระดับหนึ่งเนี่ยท่านก็สอนในรูปที่เรียกว่าเป็นปัญญาที่บริหารตัวเองปริหารยะปัญญานะปัญญาที่บริหารตัวเองได้ให้ปลอดภัยทำยังไงตรงนี้ทำยังไงตรงนี้ทำยังไง รูปตรงนี้ควรดูไหมกลิ่นตรงนี้ควรสูดดมไหมรถตรงนี้ควรลิ้มไหมอะไแต่นีะปัญญาจะต้องคุ้มครองตัวเองนะบริหารตัวเองป้องกันในเรื่องที่ควรป้องกันบำ บ, บ, บนะัดในเรื่องที่ควรบำบัดนะรักเพิ่มพูนในเรื่องที่ควรเพิ่มพูนแลรักษาในเรื่องที่ควรรักษาก็ ต, ตามต้ควรแก่กรณีนะแต่กรณีอะไร แล้วจนจะมีปัญญาที่เรียกว่านิพกโกคือปัญญาที่รักษาตัวรักษ า, าตัวรอดปลอดภัยไม่ดึงเอาอภัยอันตรายมาเข้าสู่ตัวเองในระดับระดับศีลท่านจะเห็นว่าระดับศีลที่จริงทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเราก็หาเรื่องเองไง น, นะหาเรื่องสร้างภัยสร้างอันตรายมาเองเพราะงั้นถ้าถ้าเรางดเว้นระดับศีลได้ เราก็อยู่โดยไม่มีเวรไม่มีภัยเราไม่ดึงเวรดึงภัยมาหาเราผู้ฆ่าก็คือผู้ถูกฆ่าผู้รักก็คือผู้ที่จะถูกลักนะฮะผู้ร่วงเกินประเวณีคนอื่นก็คือผู้ที่เตรียมจะร่วงเกินพราะนั้นผู้ชายที่ที่ยุ่งยุ่งมากตอนหนุ่มๆในพรุ่นี้หวงลูกสาวนะะักฮะต้องกลัวบาปกับ ม, ม, ม, มันมัน ม, มันมักทันตาใด้าตัวใดบมางกลับไปกลับมา เพราะงั้นคนที่มองปัญญาเนี่ยมองอะไรโดยปัญญาว่าผลทั้งปวงเนี่ยเราต้องรับผิดชอบและพวกนี้ก็จะไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุมันก็ปี ก, กั้นผลที่เราไม่ต้องการได้ท่านจึงเน้นไปการใช้ชีวิตที่มีปัญญาเป็นหลักและอยู่ด้วยปัญญาธรรมะทั้งปวงนี้ท่านจะเห็นว่ามันเป็นพละเป็นกำลังปัญญานั้นจะต้องขจัด ผัไม่รู้ไอ้ไม่รู้จริงๆมันขจัดไม่หมดแล้วนะฮะมันต้องเป็นพระอรหันต์แต่ว่าก็ต้องพยายามเพิ่มความรู้ไปโดยลําดับคือเราไม่ได้อยู่ในโลกทั้งปวงหรอก เ, เราไม่ได้ไปทั้งปวงแต่หมายความมาเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมีแสงสว่างสองอะไรกันเห็นทางตรงเห็นข้างข้างหน่อยเห็นข้างหลังเห็นข้างหน้าเห็นข้างข้างก็พอแล้วแล้ก็ปลอดเวรปลอดภัยได้ทีนี้ถ้าเรามองระดับความรู้สึก ระดับนิวรณ์นะ่ะท่านจะเห็นว่าจริงๆเราหาเรื่องเราเองทั้งหมดเลยนิวรณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรเการตึกนึกด้วยอำนาจของกรรมฉันเราก็เดี๋ยวนึกเราเองพยาบาทเราก็นึกเราเองที่นามิธะเราก็สร้างขึ้นเองนะพุ่งสั่นรําคาญหงุดหงิดเราก็สร้างขึ้นเองอ่ะเราคิดเองอ่ะมันใจเราทั้งนั้นเลยไม่มีใครมามาให้เราคิดความเกล่ยดแกลงสงสัยเราก็หาเรื่องสงสัยเองนะบางคนสงสัย มันก่อนน้องสาวก็มาลูกอาก็มามาอย่างนึกขำก็ตอนเขาเป็นเด็กเด็กเขเรียนม .7 แกนั่งเขียนหนังสือนี่แกถามเอ้อตัวนี้ทําไมจึงมีหัวอย่างเงี้ยทําไมตัวนี้ทำํำนี้แล้วแกเครียดหมดอ่ะแกลากมือไม่ไปอ่ะชอบตกนะสอบตกมันก่อนก็พาลูกพาทตาเออเวลามันโตขึ้นมามันก็ไม่เครียดอะไรมั น, นึกขำ ม, มันเครียดลากหนังสือกระดาษขาดเลย ลากนี่มันไม่เดินนะฮะมือมันไม่เดินมันเครียดมากเอ๊ะทาไมตัวนี้เมืออกระลังคาได้มอทําไมตัวนี้มีหัวทำไมแล้วมันมันเวลาลากเนี่ยมือมันไม่ไปเลยเขียนหนังสือไม่ได้ตอบไม่ได้เลยต้องออกจกังเวทแต่ว่าทีหลังก็ได้ปัญญานะได้ปัญญามลูกโตแล้วนี่ก็คืออะไรก็คือว่าเราสร้างขึ้นมาเองสร้างกันเไปหาเรื่องเก็บกดจนเครียดไป ทีนี้พอพราผคลายนะผ่อนคลายคว า, ค า, ค า, คามรู้สึกนี้มันก็ไปได้ครับมันก็ไปได้ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการขาดปัญญาในการวินิจฉัยเออคิดไปทําอะไรอีคิดไม่หลับกับกลุ่มจังเลยกลุ่มมันทําอะไรอ่กรุ๊ปมันทํำไมคิดมันทะไรก็นอนก็นอนเด้เ อ, อนี่ก็คือก็คือหลักที่เราขาด แล้วก็ขาดกำลังที่จะขจัดหมายความมาตรงนี้เราขาจัดโมหะไม่ได้เพราะเราทำไปแล้วผลมันเกิดมายัางไงเราก็เห็นมาผลมันก็ไม่ดีอะไรแต่ว่าทำไมมันแปรปรวนทำไมปรารถนาทำไมทาทาไมแต่นั้นจึงทรงสอนว่าพมะทั้งหมดเนี่ยนะมันมันจะมีผลมหาศาลเพราะว่ามันไ ป, ปนไปมีปัญญามีศรัทธาแต่และอย่างเนี่ยน ะ, ะปัญญายาบริสุทธิ์จิตนะฮะบุคคลจะบริสุทธิ์ได้โดยปัญญา นะศัทธาญาตระดีโ อ, อคังฆ้าโอฆ่าได้โดยศรัทธาธรรมะแต่ละข้อในมหาศ า, ศาลดังนั้นเลยอิริโอตปะเว็ ร, รมะคุ้มครองโลกเนี้คนลงทุกได้ด้วยความเพียร น, นะพวกก็อยู่ร่วมกันก็เป็นพลังในการขาจัดาบาปขจัดอกุศลก็ทั้งหมดนะฮะสิบสสูตรในทรงใช้ธรรมะห้าข้อดังกล่าวว่าวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ